พ้อมจะบวชนึกยังฮะพร้อมหรือแล้วนั่น่ะพ้อมเปล่าจริงหรือเปล่าะจะได้รับไว้ <c oughs> ให้เป็นแน่นะถึงเวลาเดี๋ยวจะคล่ำคลวนนะบวชตลอดไม่มีกำหนดหนะกับบวชชั่วคราวเนี่ยความรู้สึกต่างกันเยอะนะ บทชั่วคราวเนี่ยมันยรู้ว่าอีกไม่นานมบเก็เยนกลับมาอยู่กับสิ่งแวดล้อมเดิมๆได้ถ้าบวทจริงๆเนะี่ยกล้าทิ้งสิ่งแวดล้อมเดิมๆที่คุ้นมาตั้งแต่เกิดะไม่เหมือนกันนะ <c oughs> จะสู้หรือเปล่าห <c oughs> สมองเป็นไง <c oughs> ตอนนี้เป็นไงตอนนี้ขณะนี้ จิตรู้ตัวเต็มที่ไหมดีแล้ที่เห็นนะรู้ถูกแล้วนี่ก็ดีละนะ แ, แล้วนะพอเข้าใกล้แล้วเห่งสองคนอ่ะใช้ได้แล้วพอยรู้สึกไปเรื่อยเวลากิเลสเกิดเราจะเห็นเร็วขึ้นเรื่อยเรื่อยไหวมันเห็นเ อ, อีถ้าจงใจเห็นนะของปลอมใจจะแข็งแข็งขึ้นมาถ้าสติปัญญาไปเห็นเนี่ยนะมันโล่งแยกได้ไหมสองอันไม่เหมือนกันมันจะโล่ ว่างเลยสติตัวแท้นี่เกิดโดยที่เราไม่ได้เจตนาจิตมันจําสภาวะได้มันจําว่าเปลือลลกก็รู้ขึ้นมาตื่นถ้า ต, ตื่นขึ้มาแล้วมันก็แสดงธรรมะให้ดูแล้วมันดับในสุดสมพงก็จะเห็นแต่ว่าเอปลอไปแล้วก็รู้ขึ้นมาเปลอไปแล้วรู้ขึ้นมาได้แค่นี้แหละการปฏิบัติไม่ได้ทําอะไรเยอะหรอกอารมณ์กรรมาฐานมีเยอะแยะ มันเยอะแยะสําหรับคนจํานวนมากแต่ละคนใช้อารมณ์กรรมฐานนิดเดียวอย่างแค่เผลอไปแล้วก็รู้สึกเผลอไปแล้วรู้สึกตลอดเวลาก็มีสภาวะแค่สองอย่างนี้เองนึกออกไหมหรืออย่างบางคนบอกว่าท่านสอนจิตมีราคะรู้ว่ามีราคะจิตไม่มีราคะรู้ว่าไม่มีราคะตลอดเวลาก็มีสองอย่างนี้ถ้าสภาวะนั้นมีราคะ หรือสภาวะนั้นไม่มีราคาก็เต็มพื้นที่แล้วไม่มีช่อง โ, โหว่แล้หรือจิตมีโทสะกับจิตไม่มีโทสะเนี่ยแต่ละขณะขณะนี้ไม่มีโทสะกับขณะนี้มีโทสะแค่คู่ใดคู่หนึ่งอนะ่ะก็ครอบคลุมเวลาทั้งหมดหละนั่นอารมณ์ในสติปัฏฐานแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะมันครอบคลุมเวลาของการปฏิบัติได้ทั้งหมดอย่างหายใจเข้ากับหายใจออกก็มีแค่เดียง ถ้าเรามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกก็คือมีสติทั้งวันนะือเรารู้อิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถนก็มีอยู่แค่นี้แหละไออิริยาบถปลาดตลาดอย่างกระโดดอะไรเงี้ยก็มีน้อยงั้นถ้ารู้อิริยาบถยืนเดินนั่งนอนนั่ก็คือมีสติได้ทั้งวันนะ<ม>ถ้ารู้ร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งร่างกายคูร่างกายเหยียดเลี้ยวซ้ายแลกวานะร่างกายเคลื่อนไหว มันก็มีแค่เคลื่อนไหวแล้วก็หยุดนิ่งหยุดนิ่งแล้วก็เคลื่อนไหวก็คุมการปฏิบัติคุมการเจริญสติได้ตลอดเวลาอยู่ละเวทนาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเฉยๆก็ครอบคลุมหมดละหรจิตจะมีนิวรณ์หรือไม่มีนิวรณ์ก็ครอบคลุมหมดล้ะนั้นอารมณ์ที่พระพุทธเจ้าเลือกให้ในสติปัฏฐานเนี้แค่อันใดหนึ่งแค่อันใดหนึ่งที่เป็นวิปัสสนานะ ก็พอแก่การเจริญสติเพื่อให้เกิดปัญญาว่าตลอดเวลาเนี้ยมีแต่สิ่งที่เกิดแล้วประดับไปแต่ในสติปัฏฐานอารมณ์บางันเป็นสมถะนะนการพิจารณาป่าช้าเก้าอย่างพิจารณาศพเป็นสมถะการรู้ลมหายใจด้วยการรู้บางแบบก็เป็นสมถะรู้วิบางอย่างก็เป็นวิปัสสนาจิตบางดวง ใช้ทำธรรมะก็ได้ใช้ทำวิปัสสนาก็ได้เนี่ยอารมณ์ในสติปัฏฐานเนี่ยมีปนปนกันอยู่ทำไมมันปนเราจริตบางคนเนี่ยควรจะทำธรรมะก่อนธรรมะจริงๆง่ายนะไม่ได้มีอะไรลึกลับยากเย็นเยอะแยะ <c oughs> แค่สังพงเผลอแล้วก็รู้เผลอแล้วก็รู้นะแค่นี้ก็พอละวในส่วนจะเห็นเลยจิตที่เผลอไปเป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับ ห้ามมันไม่ให้เผลอก็ไม่ได้จิตที่เป็นกุศลเนี่ยรู้สึกขึ้นมาสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้นะรู้สึกแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้มีแต่เกิดแล้วก็ดับรู้สึกก็เห็นเลยทั้งกุศลทั้งอกุศลเกิดแล้วก็ดับเรล้วนแต่ของบังคับไม่ได้เห็นทุกอย่างเป็นอย่างนี้หมดเลยง่ายนะไม่ยากหรอกค <c oughs> ิดมากแล้วยากหลวงพ่อไม่เห็นอะไรปิดกัน้นการเรียนรู้ธรรมะนะของพวกเรานะถ้าเกิดการ ชอบคิดเราเองอ่ะที่มีทฤษฎีของตัวเองมากมายหรือมีมานะอัตตาครูแน่แล้วครูรู้หมดแล้วพวกนึงดิฉันโง่ถาวรเนี่ยพวกนี้ก็ปฏิบัติไม่ได้เหมือนกันนะ <c oughs> พวกนึงทิฏฐิมานะทิฏฐิทฤษฎีเยอะต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้พูดเราเองหรือพูดตามๆกันเลยเจ้าสอนที่ของง่ายๆ สูตทั้งหลายให้เธอมีความรู้สึกตัวในการยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดอนะไรเงี้ยของง่ายง่ายง่า ย, ายรู้สึกตัวอย่าใจลอยไปพอเราเริ่มคิดมากได้ยินคาว่ารู้สึกตัวเราก็เริ่มคิดมากแล้วคืออะไรทำยังไงมันจะรู้สึกรู้สึกแล้วจะเอาจิตไปตั้งไว้ที่ไหน <laughs> น่าสงสารมากทำของง่ายให้ยากบางคนบอกดูจิตไม่เป็น จิตเป็ของดูยากหลวงพ่อทดสอบที่ดูในเด็กมีสามคนใครกล้าคุยกับหลวงพ่อว่างเสื้อแดงกล้าคุยไหมเด็กเนี่ยกล้าคุยกับหลวงพ่อไหมเด็กรุ่นใหม่ใจถึงเคยโกรธไหมเคยโกรธไหมไม่เคยโกรธเลยเหรอ <laughs> เด็กที่ตกใจตกลงเคยโกรธไม่เคยเคยใช่ไหมเคยกลัวบ้างไหม เคยอีกแล้วนะเคยอิจฉาบ้างไหมเคยอิจฉาไหมมีน้องบ้างไหมยือไม่มีที่จริงนะกระทั่งเด็กเล็กๆมันก็ดูจิตเป็นนะถามว่าความรู้สึกแต่ละชนิดรู้จักไม่รู้จักทั้งนั้นอ่ะอิจฉากลัวกังวลดีใจเสียใจเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรเนี่ยรู้จักทุกอย่าง แล้ว เ, เราพวกผู้ใหญ่เราบอกว่าดูจิตยากพูดไม่ได้นะเราไม่ยอมดูเองน่ฮะวิธีดูจิตก็คือความรู้สึกเราเป็นไงลนะ่ะคอยดูมันบ้างความรู้สึกเราจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่ละวันความรู้สึกไม่เคยเหมือนกันบางวันเศร้ามองบางวันผ่องใสเคยรู้สึกัหมแต่ละวันไม่เหมือนกันแต่ละเวลาเขาไม่เหมือนกันตอนเช้า ตอนสายตอนกลางวันตอนบ่ายตอนเย็นตอนกลางคืนความรู้สึกเราเปลี่ยนทั้งวันเคยนึกออกไหมอย่างตอนตื่นนอนวันนี้กับเดี๋ยวนี้ความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันตอนนั่งรถมากับตอนเดี๋ยวนี้ความรู้สึกก็ไม่เหมือนกันนี่พอเราดูเป็นช่วงๆได้แล้วเราดูละเอียดก็แต่ละขณะไม่เหมือนกันขณะที่ตาเรามองเห็นนความรู้สึกเราก็เปลี่ยนขณะที่หูเราได้ยินความรู้สึกก็เปลี่ยนขณะที่ใจเราคิดความรู้สึกก็เปลี่ยน นะเปลี่ยนตลอดเวลาที่มีการกระทบอารมณ์เปลี่นไปเรื่อยๆ เ, เช่นเห็นเพื่อนเราเดินมาเราดีใจเรารู้สึกมันเปลี่ยนทีแรกเฉยๆเกิดความดีใจเห็นหมาบ้าวิ่งมานะเกิดความตกใจเกิดกลัวอนะไรเงี้ย้วความรู้สึกเราเปลี่ยนเนะี่ยคอยรู้ไปเรื่อยๆนะการปฏิบัติไม่ได้มีอะไรลึกลับยากเย็ยนเลยหัดรู้หัดดูไปอย่างนี้แหละง่ายๆอย่าไปคิดมากไม่ต้องคิดว่าจะเอาจิตไปตั้งไว้ที่ไหนนะ ทับคิดนะคิดเยอะไปเยอะไปอี่ากระคองนะใส่ไปให้หมดจันตุเป็นไงอืมมันจคือถรู้ว่าสิ่งที่มันไม่ควรจะเยอะนะอืมมันก็ยังอกจะเยอะเข้าไปืมันห้ามไม่ได้สังเกตไหมจิตมันจะมีกิเลสขึ้นมาถึงจะชอบไม่ชอบนะมันก็ห้ามมันไม่ได้ เนี่ยธรรมะล้วนๆเลยอยู่ตรงที่มันแสดงให้เราเห็นว่าห้ามไม่ได้ถ้าเราห้ามได้ตามใจชอบนะจิตก็เป็นอัตตาไม่ใช่อนาตตานั้นอะไรเกิดขึ้นไม่ต้องตกใจรู้ไปอย่างนั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมาให้จิตเรารู้ล้วนจะเป็นครูสอนธรรมะเราทั้งหมดสอนไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยอย่างใจมันจะไหลตามอารมณ์ไปห้ามมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้นั่นถูกต้องแล้ว ถ้าห้ามได้นะผิดปกติห้ามได้มีวิธีเดียวทำสมะถะแล้าห้ามได้ชั่วคราวผมไว้ชั่วคราวเราเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นของบังคับมันไม่ได้อันของเปลี่ยนแปลงทนอยู่ในสภาวะอันใดอันหนึ่งนานๆไม่ได้เรียนให้เห็นตรงนี้เพราะฉะนั้นการตัดใจจะไหลาตามกิเลสก็ เ, เห็นว่าห้ามมันไม่ได้หรอกมันจะไหลยอย่าตกใจนะ ถ้าใจมันจะไหลาตามกิเลสแล้วเราตกใจกลัวเราจะเกิดการฝืนขึ้นมาก็ฝืนที่มาเราจะเกิดความทุกข์แต่ถ้าใจจะไหลาตามกิเลส น, นะเออเชิญเธอไหลไปเลยฉันจะรู้รุ่งเดียวตรงฉันจะรู้รุ่งเดียวเนี้ฉันจะไม่ไหลไปไหนเลยอ้าหนูนาว่าไงหนูนาอันนี้ทําไมมาคนเดียวในนกนกอ๋อนกเป็นอ่ง น, น, นัคนละค่ายกันอ้าวปี ก, กวาว่ามา ดูออกไหมเออดีที่เห็นนะ ด, ดีที่เห็นให้รู้ทันนั้นใจเราชอบปรุงแต่งปรุงแต่งมีสองแบบไม่หลงไปก็บังคับแข็งแข็งถ้ารู้ทันไม่เป็นใจนะแต่รู้ทันแล้วหนูนาจะทำยังไงดีมันแข็งแข็งเนี่ ย, ด, ยดีใจไหมมันกลาย ดูด้วยความเป็นกลางนะไม่ว่าสภาวะอะไรเกิดขึ้นให้รู้ด้วยใจที่เป็นกลางถ้าใจเราไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางนะให้ mm hmm. เข้าไปสู่ความเป็นกลางเองก mm hmm. ุ้งว่างไงกุ้งไปเศร้มันทาไมดีแล้วดีแล้ว <c oughs> นะให้เรารู้อย่างที่เขาเป็นเราอย่าไปปฏิเสธเขานะ จิตใจเราเนี่ยเขาสอนธรรมะเราเขาจะเศร้าเขาก็เศร้าเขาจะค่อยคลายเขาก็คลายแตไ่ไม่ไม่เศร้าถาวรเศร้าไม่เท่ากันแต่ละเวลาเศร้าไม่เท่ากันในแต่ละขณะดูไปเรื่อยๆนะดูได้ถูกแล้วค่อยๆรู้ไปมันเป็นผลบางทีมันเป็นผลจากจิตมันเศร้ามา ก, ก่อนจิตมันเลยนุม่นมๆไปนิดนึงนั่นไม่ใช่เรื่องแปลก ขนาดนี้เราเกิดสติรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาถูกต้องแล้วนะแต่บันยังรู้สึกนุมน่มน่วมหน่อยอันนี้เป็นผลเป็นวิบากนะไม่ใช่กิเลสหรอกเป็นผลอ่พึ่งว่างในพึ่งเออให้รู้ทัน ร, รู้ไปแต่ค่อยๆตั้งมั่นขึ้นนะแล้วเราทำตัวเป็นคนดู ทำตัวเหมือนเป็นคนดูเห็นจิตใจเรามันยื้อไปยื้อมาแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้แสดงเองนะจิตใจของเราจะไปทางโน้นเรายื้อมาทางนี้อะไรเงี้มันเกิดความวุ่นวายยุ่งเหยิงแต่ถ้าเราดูเหมือนเห็นคนอื่นมันยื้อกันนะใจของเราจะสบายสบายนั่งดูใจเรานะเหมือนเห็นใจของคนอื่นที่มันยื้อกันไปยื้อกันมา ถ้าเมื่อไรเห็นกายนี้ mm hmm. เห็นใจนี้เหมือนคนอื่นนะ่ะ mm hmm. การปฏิบัติจะ ง, ง่ายถ้าเราไม่ต้องทำอะไรแล้วเรารู้ลูกเดียว mm hmm. แต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันเป็นตัวเราเมอมันไม่ดีมันไม่สุข mm hmm. ก็เกิดการดิ้นรนต่อสู้อยากให้มันดีอยากให้มันสุขตรงที่ดิ้นรน น, น, mm hmm. นั่นแหละทุกข์เหมือนซ้ำซ้อนนั่นแหละนั่นแหละนะไม่ต้องไปยืมมันหรอก ให้รู้ทันไม่อยางเอาชนะใจเราเราก็ห้ามไม่ได้จะห้ามไม่ให้ยื้อก็ไม่ได้ดูออกไหมมันจะไปสู้กันมันสู้กันนะเราก็ให้มันสู้กันไปเราเป็นคนดูทําตัวเป็นคนดูให้มันสู้กันไปเหมือนเราอยู่บนภูเขานะมองลงมาข้างล่างเห็นคนก็ยกพวกตีกันเนี่ยธรรมะไก่กิเลสมันยกพวกตีกันอยู่เราก็นั่งดูไปใครแพ้ใครชนะก็ช่างมัน ไม่มีพลังก็ต้องมาวัดบ้างมาชาร์จพลังนี่ล่ะ <c oughs> จิตตอนนี้เป็นไงจิตขณะ น, นี้รู้เต็มที่หรื อ, อยัง <c oughs> แล้วจิตตอนนี้เป็นไง <c oughs> โปร่งโล่งเบา <c oughs> สบายด้วยดีหนะ <c oughs> ยังเกรงนิดหน่อย <c oughs> ดูออกมาแกลงอยู่ <c oughs> ไม่สบายดอกเกรง <c oughs> ฮ่าตกว่าไงส่งกันบ้า น, าาาน อ, านอมื ม, มอมทำไ ม, กก ม, ไมรู้ตัวยากออ๋อธรรมดานะกิเล็ดตัวร้ายเลยตัวหดหูโดยเฉพาะสาวสาวนะตัวหดหูแล้วป้อปแปะไปเลยหมดแรงไม่มีแรงจะดู ธรรมดาแนละ้ว น, น, นี่เราหดถูกไหมนะบิก๊กผู้นี้ยืนยันไหมบวชจะบวชนะช่วยเพื่อนบวชตัวเองจะสึกอ่านนอกว่าไงฮะตกใจโอ้อนก่อนเอาสุ ภ, ภาพปฏิสติตกใจสุา ภ, ภาพบุรุษก่อน นิวรณนตัวไหนล่ะเดล๋ย <c oughs> ทั้งห้าตัวเลยนิวรทุกตัวนะสอนธรรมะเราเท่ากันหมดกิเลสกับกุศลนะสอนเราเท่าเท่ากันนะนิวรจะเกิดเจาห้ามมันไม่ได้ <c oughs> แล้วไงแล้วไง เอน่นแหละสงสัยรู้ว่าสงสัยนะเคยบอกว้อนหลายทีแล้วไม้ตายของกิเลสนะที่ใช้ปราบปัญญาชนมีสองตัวสงสัยก็เบือ่อนะพอสงสัยแล้วคิดคิดหาคำตอบใหญ่เลยนะอีกทีหนึ่งก็เบือ่อทอแท้ป้อแป้ไปเลยไม่ดูนะใช่สิมันจะค้นคว้าหาคำตอบก็ฟุ้งเลยกิเลสทุกตัวนะจะหลอกให้เราเลิกรู้สึกตัว กิเลสทุกตัวย่าลากเราไปให้ลืมจิตลืมใจตัวเองนะเช่นการมาราคะเกิดขึ้นการมัชันท่าเกิดขึ้นเราจะไปคิดถึงคนที่เรารักเราลืมดูว่าความรักกําลังเกิดนะพยาบาทเกิดขึ้นเราไปคิดถึงคนที่เราโกรธเราลืมดูว่าใจเรากําลังพยาบาทนะความสงสัยเกิดขึ้นเราก็หนีไปหาคําตอบไปคิดใหญ่เลยลืมรู้ว่าใจกําลังสงสัยอยู่นะความฟุ้งซ่านความหดหู่ก็เหมือนกันมันหลอกให้เราเลิกรู้สึกตัว นั้มกิเลสมันทําหน้าที่ซ้ําซากอยู่แค่นี้นะอย่าไปหลงกลมันถ้าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะรู้ลูกเดียวเลยรู้ทันจิตรู้ทันใจของเราก็้ไปให้กิเลสมันก็หลอกซ้ําซากอยู่แค่นี้เองแต่มันหลอกได้ตลอดนะถ้ <c oughs> ามันเกิดมันก็ลากเราไปให้ให้เลิกดูจิตดูใจตัวเองมันกลัวมากเลยว่าเราย้อนมาดูจิตดูใจเดี๋ยวจะเห็นกิเลสเดี๋ยจะเอาชนะมันได้เทมแข็งไนะว้นะทุน ฝึกฝนใจใจก็เย็นลงไปเยอะแล้วไม่เป็นประท้านแต่ว่าเมีกำลงที่เป็นวิถีเกเรมากนะเราคอยต้องค่อยรู้สึกเรื่อยๆนะหรืออย่างการที่เรามีหมู่คณะมีเพื่อนฝูงะเวลาคุยเราก็คุยเรื่องธรรมะเรื่องการปฏิบัติเรื่องการมีสติอะไรเงี้ย เวลาคิดเราก็คิดเรื่องกายเรื่องใจของเร า, เ ร, เ, า, เ, าเรื่องพระพุทธเจ้าเรื่องพระธรรมพระสงฆ์อะไรเงี้ยให้ใจเราเค้าเคลียอยู่ในอารมณ์ฝ่ายกุศลมากๆอ่ะมันจะมีกําลังแต่ถ้าใจเราปล่อยสเปสตะมันไหลตามอกุศลไปด้วยก็ไม่มีอะไรงัก่อนนอนพยายามไหว้พระสวดมนต์เป็นจงกรมทําสมาธนะิวันละห้านาทีสิบนาทีก็ทําทําทุกวันแบบมีสัจจะ ก, กับตัวเอง นะเจ็บไข้ได้ป่วยยังลุกขึ้นไหวแล้วก็ลุกขึ้นนั่งปฏิบัติถ้าลุกไม่ไหวนะนอนนอนปฏิบัติแต่ละวันต้องทําถ้าเราทําด้วยใจที่ตั้งมั่นอย่างนี้นะใจจะเข้มแข็งใจจะไม่ป้อแป้ป้อแแปะแต่ถ้าเราไม่มีข้อวัดไม่มีเครื่องอาศัยเลยใจจะป้อแแปะไปหลวงพ่อที่หัดปฏิบัติมาเนี่ยอยู่ไกลครูบาอาจารณ์นะหลายเดือนอยงนีไปหาครูบาอาจารย์ได้ทีหนึ่งสามเดือนสี่เดือน ไม่ค่อยมีวันลาไม่ค่อยมีค่ารถ ด, ด้วยครูบาอาจารย์อยู่ใกล้ไกลยอยู่อีสานเวลาที่เหลือเราต้องช่วยตัวเองนั้นอะไรที่จะกระตุ้นให้เราเข้มแข็งขึ้นได้เราต้องหามาใช้บ้างเช่นอ่านหนังสือธรรมะบ้างคิดที่นาธรรมะบ้างฟังธรรมะบ้างฟังเทปฟังอะไรข้อวัดที่หลวงพ่อทำสมัยเป็นคารวะนี่คือตื่นเช้ารู้เลย ดูจิต ด, ดูใจของเราไปเลยจนเข้านอนยกเว้นเวลาที่ทํางานที่ต้องคิดทํางานที่ต้องคิดมันดูไม่ได้หรอกเวลาที่เหลือนะถ้าไม่เผลอใจลอยไปแล้ะก็ค่อยรู้ค่อยดูไปเรด้วยตกค่ำกลับบ้านละไม้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมอะไรนะทําทุกวันนะ่ทําเรื่อยนิดนิดหน่นอยหน่อยก็ทำไ ม, ไม่ลัดเลยการที่เรา ฝึกฝนของเราทุกวิทุกวันนะมีข้อวัดอยู่เนี่ยใจเราเข้มแข็งให้จิตใจเราได้พักผ่อนเดี๋ยวถึงเวลานอนเ น, น, นี่ยร่างกายเราก็ได้พักผ่อนมาตื่นเช้านะเราพักผ่อนมาเต็มที่แล้วทั้งกายทั้งใจสติปัญญาเลยจะเกิดที่ีขึ้นถ้าเราไม่มีข้อวัดเลยนะเราก็ดูดูแไงเรื่อยก็เฉื่อยเนี่ยข้อวัดหรือการปฏิบัติตามรูปแบบเป็นของจําเป็นจําเป็น แค่ทั้งครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติเสร็จแล้วนะท่านก็ยังขยันปฏิบัติแต่ท่านทําเป็นเครื่องอยู่นะทําให้ลูกฝิดดูเป็นตัวอย่างอานะจารย์นอนลูกเดียวนะลูกฝิดมันนอนหมดวัดงั้นเราเราทำไม่ลัเลยแต่ก็ไม่ใช่ตั้งปณิธานจนกระทั่งเว่อร์นะเวอ่อจนทําไม่ได้อย่างเช่นตั้งปณิธานว่าทุกวันจะต้องนั่งสมาธิสามชั่วโมงวันนี้นั่งขาดไปชั่วโมงหนึ่งพรุ่งนี้ต้องนั่งสี่ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ย เดี๋ยวมันจะเกินยีสิบสี่ชั่วโมงถึงจุดหนึ่งนั้นใจจะฟอเลยทออแท้ทอดแท้ไปเลยงั้นตั้งตอนนี้านแบบที่เราทำได้จริงๆนะแต่ทำเกินแล้วก็ทำลายบ่อยแล้วไงบ่อยไม่เป็นไรนะไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอก อย่าทิ้งการปฏิบัติในรูปแบบนะทำมั่งเปล่า <c oughs> ตกข้ามเอาแต่เถียงกัน <c oughs> ตบข้ามพากันเดินจงกรมทำสมาธิสินะไม่ได้แรง <c oughs> หดหู่บางทีมันก็มาจากคนอื่นนะอย่างวิธีคนข้างๆเราเนี่ยหดหู่มันก็เหนียวนาใจเรารู้สึกหดหู่ไปด้วยอย่างนี้ก็มีนะ <c oughs> หมดแรงทํำอะไรดูจิตไม่ได้รู้กายไว้แนวสร้างรับของเรามีดูจิตไม่ได้รู้กายไว้เห็นร่างกายนี่มันหมดสภาพแล้วมันหมดกําลังใจมันนอนแอ่งแม้งอยูนะ่รู้กาย รู้ไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวก็มีกำลังึ้่มารู้จิตรู้อะไรก็ได้รู้กายทั้งกายก็ได้นะจะไปรู้ลมหายใจเดี๋ยวมันเพ่งถ้ารู้กายทั้งกายเห็นร่างกายมันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนเนยะใจของเราเป็นคนรู้คนดูเนะอย่างนี้เราก็เท่ากับเรายัางเจริญมิปัสสนาอยู่แต่ว่ามารู้กายนะแต่ถ้ารู้กายก็ไม่ไหวเราเนี้ยเป็นเวลาทำสมถะและ้วนะถ้าสมถะก็ไม่ไหวเอาไม่อยู่ หาอารมณ์อะไรก็ได้ที่เป็นกุศลมาเป็นเครื่องอยู่เครื่องเล่นแต่นี้แนวตั้งรับสุดท้ายแล้วนะถัดจากเนี้ยอกุศลจะมาละ